ได้บางคนพร้อมฌานที่ 2,3,4,5 ี่ห้านะทำไมมี5เราเคยได้ยินฌาน4เท่านั้น5นี่แยกแบบอภิธรรมถ้าแยกอย่างพระสูตรมี4นะีแล้วไปถึง8ไม่ได้หรอ เ, รเคยได้ยินฌาน8ปฌานแก็ได้นะฌานที่เป็นอรูปฌานทั้งหลายเนะีเอาเข้าจริงก็คือฌานที่4หรือฌานที่หนั่นเองคือมีองค์ธรรมสองอย่างนะมีอุเบกขานะกับเอกขตา2 อ, อย่าง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 มาจากคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัศนาปัสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามจิตตามอนุปัศนาการตามเห็นจิตหนึ่งเนืองตามดูไปด้วยกทังกายนะท่านก็ให้ตามนะกายกายานุปัสนาการตามเห็นกายเนืองเนืองทำไมไม่ดูลงปัจจุบันเพราะเบื้องต้นจะฝึกให้เกิดสติยังไม่ได้ฝึกวิปัสนา